งดไ้ค okay ือเกิดก so, ิริยาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตมนี่กันมองมนเป็่นวัตถุถ้าวัตถุเสียเนี่ยตายเกิดกิริยาดินน้ําตุลมแทนดินก็จะแตกไปเป็นดินน้ำก็จะแตกไปเป็นน้ำไฟก็จะไปแตกไปเป็นไฟร่วงก็จะแตกไปร่วงลงก้อนอนี่ยนชีตใจมันเป็นเรื่องนึงถ้าดีก็ไปทั้งดีทั้งชั่วก็ไปทั้งชั่วเนี่ยันดีหลายก็สั่วก็ไปทั้งดีชั่วหลายก็ดีก็ต้องไปทังชั่วตะกอนมัดชั่วอลไรช่างมหดีอันนี้ทรงสื่อระดับ ประเภเสรีปะปเภทเบ็ดระเภเสรีคนเี่คนช่วอะไรขันวยประเภเสรีคนเียวคนช่วอะไรประเภทเสีกรรมแล้วเพรของกรรอะไราทนดีเลยดีครับช่วะช่วมันเป็นบบ น, นี้แบบนัเลยนะแหละวัตทุนิยมเราก็ชมวาดีอย่แต่มันอยู่ที่อู่ของอันจังวัตุนิยม่วนตัวขอ า, า, างห้างอี่ยแจากหัวจากสมุทรเร่ยนกายเป็นวัตถุนิยม ใจเป็นวัตถุนิย่อมพ่ายได้เป็นวัตถุนิย่อมในส่วนหน้ามาทำตาหัวส ม, มุกเรียงกายเป็นวัตถุในย่อมดีหน้าพ่ายลงใจเป็นวัตถุนิย่อมของเ น, าา น, งนื้อชาติชนะทางขางซึ่งแล้วนี่คือดับเปลี่ยนไกันอายักษนาพายในดนื้อตาเป็นต้นอายักษนาภายนอกมีรูปเป็นต้น อายตระภายในคือโลกภายในอายตระพายนอกคือโลกภายนอกตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเป็นโลกภายในลูกเสียงกลิ่นรสัสชาติธรรมารมเป็นโลกภายนอกเกิเป็เอะรไวดอแตกร้ายมือนกันวัดชูนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่ในอู่ของอ น, นิจจังตถาพุจจเจ้าเขาเกิดมา เ, น, เมานีเกิดมาเพื่ออะไเกิดมาเพื่อสั่งคนดีและคนจัว ว่าถือเบี้ยวลาสางน้ำท่าบุญไปน้าเพื่อจะออกก่าวัฏสงสารพอมันดูที่พักของมนุษย์เจ้หลายสึ่งพุ่งมนุษย์ผู้ใจสูงก็ถึงก็ถือว่าพระนิพพานมนุษย์ผู้ใจขนาดกาก็ะถือว่าพระมโลกมนุษย์ผู้ใจําก็ถือว่ามนุษย์และสวรรค์เป็นเครื่องรู้เครื่องป่วยมนุษย์ผู้ใจจำก็นั้นเรีว่าเอกมนุษย์พืชทองเพลิน ก็ไปท่งทางฟัดเทียชางกายเป็นคนตนเป็นสัตว์คิตใจจำเหมือนสัตว์เปิดอาุรกายชัดในโลกเป็นตน้นความดีนั่งไป จ, จากใจนั่งใจจากใจขอกระทำแต่ละคนที่สั่งขึ้นถ้าผู้เป็นเจ้าใจเป็นผู้ซักถ้าผูที่เจ้ามาสอนใจเนี่ยผพ้ที่เจ้ารู้ดีรู้ชอบจะพระองค์เองก่อนแล้วสอนสูตรให้ดูตามด้วย พระธํายอมรักษาผู้ปฏิบัติให้ตกไปในที่ที่ทั่วถ้าสงปฏิบัติชอบตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนปูเนี่จะทําตามด้วยอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามอย่างทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้จริงเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้คนเห็นทรงสั่งสอนไม่เหตุที่ผู้ฟังอาจจะตรองตามไม่เห็นจริงได้ทรงสั่งสอนไว้อัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติตามชอบได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติ โอวาทของพุทธเจ้าสามอย่างเรื่องจากพุทจดีคือพุททั่วตัวกายวาจาใจประกอบพุทธเจดีคือพุทธชอบตัวกายวาจาใจกระธรใจของตนให้หมดจุดจากเครื่องเครมหองใจมีโรคปวดหลงเป็นต้นเอสซีดีปนันเ ก, ก็ตามค่ะยินบ่ชห้องอรับไหว้สิคมใดดังไรคิดใจดกาา็คือสันติปันเนกตาล์ชางข่ำซ้ำสอนของพุทธเจ้าสิบว ล, ลองรับไหว้ที่เป็นคนสลัดใดยางไงอันเดียวกัน เล็กดีต้องตีเข็นะเนาะเล็กเปรควงถิมทําดีก็ทําให้โตทําชั่วก็ทําให้โตอัตเิเหตอัตโนมาโถตัวเป็นเจ้า ข, ของตัวใจเป็นเจ้าของใจทำเป็นเจ้าของทำก็มีความหมายเดียวกันวัสดุปัญญาวิเศรรษเป็นเหตุให้เบืยนหายโลกเสียมันไม่จากได้มันมาคืออะไรบางคนในผ้านในบางคนในผ้ามันมาเสียทำก้อนหลงลงมามัานเสีย นืรหัสดิวันกับพรเสียพระไซนี่จะสิกาเสพพระพระธาตุามีเหนือพระพระธาตมีกับพเสียพระไซนี่จะกาวสิกาวพระอาณาคามีเหนพระอาาคามีกับพรเสียพระไซนี่จะสิกาเสพพระลหันเหนือพระลหันกัผมว่าที่เสียพระไซนี่จะิกาวข่าวส่นอนุขวัติเศษสาพัดยี่นดีนะครับคณะคนเยี่ยนดีทั้งปวงนี่มีนะคุณผู้ชมคณะคนเยีมยนดีทั้งปวง ยิ่งหนนะพระข้าอของผู้พิจาณความยิ่งหนีตั้งปวงยิ่งหนีนะสารยศของพระองค์ผู้พิารณความยิ่หนีตั้งปวงยิ่งดีนะสาสนณะอื่นลาล่างคณะคิตก็บพระพ่อยิ่งดีนะ้ระพ่อพระธรรมปรสงค์คณะคิดหนึ่งโดยก้อนหินท่อหัวนี่ก็บพระพอใดท่อข้าก้อนหนึ่งท่อหัวมือหันย้อนกันกับพระพ่อพระธรรมปรสงค์รถโมมีเบรกกัไปว่าอะไรพอกเล่นอบายยมุกเดี่ยวรถโมมีเบรก มม่เบียดแ่ไหนพอมันล่งท้องล่ อ, องผมมันลูกเหี่ยวผมดูน่เบียดชื่อพ่อแม่เมลยแข่งเลลร้านลกตั้งตัวได้แต่ถ้าขันรถเรีนยนการพนันขันรถขันรถขเรียนการพนังตั้งตัวไม่ได้หรอกาอะไรมือก็หลานกับาลู่งนงงจบ อันทูเราถือค ด, ดียุเรียนี่ครับี่คุณเป็นอาหารน่จิตใจแล้ววัถ้าเราเฮ็ดบะแมนก็ไม่โทษเป็นอันนั้นนี่เขาจำเราอย่าง น, นีังเออสอนเนีย น, นเนียนนเนียนทงหลดีสอนทันน้ดหบริหารนยาใหม่ใ่ครเปิดมีตาข้าะเจ้าใคะมักจีบวคนเจริญของหลูกพะพุทธเจ้าไว้จีนีก็าาายากใดีใร้านดีนี้ก็ัยนะ่ะนะเจ้าพุทธด้าเผยมึงกัอะไรเพราะคนที่หน้าพรแห้งแล้ว มันจะมาสอนเนาะมึงควรเด็กมันเอามาสอนพอะเอาห้องประถมก็่ก่างว่าจะคนเดสอนเนี่ยมันแมนบนแต่งประถมวานี่จริงออมยกท้องเขาหลดมึบบอสใจควนเนีายไม่เห็นไม่ฝนพอเลยแยมออกมาเมื่อกลุงยากหลวมเพราะว่าพอพุทธเจ้าคำใไรเปนพุทธเจ้าสอนข้ไรมันข้าสอนพุทธเจ้าขำใมไบ่ข้าสอนพุทธเจ้า คนว่ออกมากสิอ่าน อ, ออกพัดตรวจเขาที่จำได้พบพระไตรปิรกขาเี๋ยวมาฝนมาปูก็พระไตรปิรุกาว่าออกม า, าของจากบ้าเขามันคาสอนเจ้าหรือว่มนกาที่เอาทั้งคำสอนพระเจ้าที่เอาทั้งคาสอนภาพมาบอกคนกันทั้งขององคจักอันนี้มันรับทีของภาพอันนี้มันเรียกต่อผิดของปูข้าวของจักกับ๊บสดโอเคเสงารเรืเ่อเชืน้นนั่น่ว น, นพระพิาเลมันเว่นมาแล้ว นักเรีนหญิงนักเรนชื่อรานักเรียนเรื่องกาพนันควรเชื่อไปนิดเป็ น, น, เ, ปนเป็นทางชี้ภายทางนั้นแหมะสอนบอกตรงโต้ะไม่ใช่สอนพระเนรพราเนรผ่านมาแล้วจึงสงพ น, นา ม, มารูกกะบิธูเป็นผู้รู้แจ้งโลกผู้ริสาสมัชสารสิตเป็นผู้ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกฝึกผู้อื่นมัอนนายสารสีฝึกมากศรัทธาเทวมสารังเป็นผู้สอนของเทวราในมนุษย์หว ครอบมดแล้วคนไม้มุหมูคุดพักมุพกดพวกใดๆที่ตั้งปีนเกลียวพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดอ๋อว่าไปซื้อทำไมมีบาบมีบุญรับที่ของเขาเขาไปรอดไหมนั่งเขาไปไม่รอดนะวิชาใดๆในใจเรากระทเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาโดยในรู้ตัวฉันนั่นเข็มทิศจะมีกี่ท้านรานก็ชี้ไปในทางทิศเหนือเป็นเมืองขึ้นของทิศเหนือชี้ไปไม่มีการวางกร เสมทิพย์จะรู้ตัวหรือไม่โดยตัวของเป็นปนาแต่ทิพเหนือก็มาในโอหังมังคโลว่ะเสมทิพย์เป็นเมืองคุดของเราที่มาทางเราแต่ความจริงอ่นนี้จากของจริงในชั้นนี้ก็จริงอยู่โดยมีการูืเทียบในทางสูงเทียบในทางลึกซึ้งก็ให้คำนึงได้หลายทางน้ำพี่น้องครองดวงวางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรเลโดยไม่รู้ตัวทั้นใดคำสอนใดๆใ น, ใ น, ใ น, ในกายโลกธาตุก็ไหลลงสู่คําสอนในคุณธรรมขาะโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ได้พูดเข้าข้คตัว พูดข้อค้างธรรมมาจี่ปไตยพูดตามดึงโลกาที่ปไตยเห็นโลกเป็นใหญ่ถ้าโลกหนักไปในทางมิจฉาทิฐิมันก็ร่วมจงกันหมดนอาจารย์ทีุปไตย์เห็นตนเป็นใหญ่ถ้าตนเป็นพระอรหนันต์แล้วมันก็ถูกถ้าตนมีเกลเอตมากเห็นตนเป็นใหญ่มันก็ไม่ไว่าไม่ไหวใถ้าบรมศาสตราเขารลรรมเหตุฉะนั้นธรรมของบรมศาสตราที่บลำญัดขึ้นจึงไม่ผิด ถ้าทําไม่มีอยู่ก่อนพระบรมศาสาีา ก, ก, ก, ก็รู้ทําไม่ได้ทําไม่อยู่ก่อนเหตุนั้นจึงยอมอเคารพธรรมพระบรมาสาสีาจะเก่งสักเพียงไหนก็ตามไม่สามารถจะสวดพระสวดาบันมาให้เป็นพุทธชนได้เหตุนั้นจึงเคาเรพธรรมวันจมวันฟูไม่มีในทางพุทธศาสน า, ศ า, ศาถ้ า, ากว่าวันจมวันฟูหรือวันอุ ก, กาบาตโลกวนาศมีในทางพระพุทธศาสน า, ศ า, ศาวันไหนเป็นอุ ก, กาบาทโลกเวนาศพระสวดาบันก็ต้อง มาเป็นผู้ทีชนคนาเสียก่อนว่าเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นพระสวัสดบิบาลถ้าอนาถันสักคาคามีออน า, าคาคามีเป็นต้นดังนั้นลทัทธิคำสอนในพุทธศาสนาเนีมันจึงเป็นคำสอนของชาวโลกไม่ใช่ว่าพราะพุทธศาสนาจะเป็นที่พึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งสัทพะเทียมมโนสารังเป็นที่พึ่งของตายโลกทาตุเลยวันโลกทาตจะเอาเป็นที่พึ่งหรือไม่เอามันก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะไนเหมือนลมไม้คนจะยอม เราพักเล่อนราพักประตารเหมือนน้องน้ำเหมือนน้ำัะใหญ่ๆโตโตๆและจุดชูดสนิทและเย็นดีผู้จะไปกินก็เป็นเรื่องของผู้ไปไม่ใช่ว่าน้ํำจะไปบังคับคนไท้ไปกิน <S <S ฉันในกรณีคำสอนพุทธศาสนาต่อครอบโลกหมดแล้วและที่อื่นๆจะตรงโตมตีพระพุทธศาสนามันเท่ากับว่าลิชาน้าลายบ้วนขึ้นฟ้ากองทัพน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้าหรือกำพลโตลมเมื่อเวลาลมพัดจัดมา หรื อ, อความปลาคอนใส่ต้นเสาเน่ะน้องโมเอกรบม่ทังนั่นจะเทียบเทียบคําสอนอันอื่นมากับคําสอนอภิสาสารฐ า, า, านะน่ะมันก็เท่ากับว่าเอาเม็ดพันธากานะัดน่ะมาเทียบใส่ภูเขาหิมาอะไรเม็ดพันธกาดเม็ดเดียวนั่นผู้ที่จะอยู่ครองคารวาชาวบรมาศาสต ร, ร์สนาก้อสอนอวยัยยมุขทุกประเภทก็เธอจาไปทำเนื้อชวบรมาศาสตร์ เป็นทางเี่ยวชาญชีวชิปฏิบัติทั้งเล่มนะเป็นภูมิคุงพภัณฑดาวันนั่นะสอนคำว่าต้องๆะไม่ใช่สอนพระพระันผ่านมาแล้ว น, นจ้ทุกกะกามากเกเรคือเครื่องคือกรรมเครื่องเช่าหมองสียาต้นานที่บาดทำชีวิสันตริสรวข่ออธินาทานถือเอาสิ่งของที่พร อ, อมมาให้นในอาการด้วยการอย่างสมวดก า, มม า, ารมีชิตชารธุกิจในการเสี ม, มงาวาดูเทศกรรมสอยางนี้นักปาชไม่สเสรญเลยและเป็นอวัยะมุกด้วยเกี่ยวข้าทํางานในโทษถุ เยทรพยก่อการทลว่าเกิดโลกดึงน้ามไม่โทษหงวายมุกดึงน้าม얼เที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกานเล่นเรื่องการแสังคบคุช่วอย่างนี้เขียนขับารงานดน้าม얼ไม่โทษถูก เ, กก เ, เ, กเก 6, สียทรัพย์สองก่อการทลว่วาสามเกิดโลกปีตองีเตียม่นมาดูจัไหกทนกำลังมันหนาเที่ยว่างคืนไม่โทถกชื่องรักษาลูกเนียเชื่องรักษารัพย์สมบัตเป็นที่แรงของคนทั้งหลายมักถูกแต่ความด้คระมัมากพพุทเจ้าพูดแล้วไม่มีสารอุปกรณ์ไม่มีสอง พูดวะไรชิบหายก็ต้องชิบหายจริงทำหน้ากอชิบหายหน่อยทำหน้าขอชิบหายมากมาการค้าขายว่าพระบรมศาสดาขอบอกค้าขายเครื่องปรหารค้าขายมนุษย์ค้าขายจับเต็มนะเนี่ยที่ตัว้าพเาเป็นทหารค้าขายน้ำมันา ข, าขา ย, ยาพิษการค้าขายห้าอ่างนี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกให้ประกอบเนอะสมบัติของชาวโลกข้าราการประกอบด้วยสภามีิ่งริสุ ม, ส ม, สม่ถือมงคลจึงขาวมันดูเชื่อก็มมไม่เชื่อมงคลในแสวงหาเก็บุญทางคุณศาสนาบำเพ็นบุญแต่ละพุศาสนาชาวโลกต้องตั้งอย่นีมัครทการณ์ได้กันอยากมการณ์ทีตรงกันข้าม เอ้าเพียงสินห้าขนาดน่ะเอ้าตัวมันก็มีโซ่ก็ไม่มีคุกก็ไม่มีสแต่สวนสารแต่สินรับสินก็ไม่มีเพียงสินห้าเขนาดา น, า น, น, น่นนะนเอ้าโลกจะสงบ ด, ดีถ้ามีความอยากอายมีละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปเพราเก่งว่าถ้าล่วงสินห้ามันบาปเพียงสินห้าอันอนี้อะไรสงบสุนต์แล้วโลกขายของก็ไม่ต้องเฝ้านั่นโซ่ตัวอนก็ไม่มีต้องมี ยามก็ไม่ต้องเวรก็มีทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็เครื่องรบราคาฟันกันก็ไม่ต้องมีนั่นเท่านั้นพอแล้วถ้าคิดใจของมันไม่ละอายต่อบาบไม่มีความกลัวต่อบาบแล้วน่ะเดินไปตามหลังคนหนึ่งถือปืนเราก็ไม่ไว้ใจถ้าไม่มียาอาต่อบาบไม่ีความกลัวต่อบาบแล้วยกกระเงเราทิ้งปืนผมนี่มนใส่คัทมันก็พิดออกเพราะไม่ติดมากปืนผมนี่มันด่นใสคัทนอนอยู่ด้วยกันเราก็ไม่ไว้ใจ นั่นพราะมันมีอย่างอายตมาดไม่มมกลัวกลัวตวาดนันปากกามันพลิกไปทางไหนก็ได้นันใครมีเงินก็ชนะชนะนั่ น, น, นแตน่าเกิดเติร์ดจะตายมากก่อนเป็นศรีไป็นทรายเขมหาสมุทรเราก็จะไม่ออกจากพุทธคัมภีร์สองเลยนั่นเาสอนดีแล้วเพราะพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้มาล่างบอรพระบอกันพุทธเจ้าองค์ก่อนสอนไม่ดีเหมือนเรา เราจะมดับแปลงใหม่ไม่ได้ว่าอันเดียวกันเลยโล่เอ๋ยนเลยเพราะมันดีพอแล้วไม่มีสิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นมอีกแม่บรรดาสิ่งที่พระองค์เจ้าบญรดาขึ้นแม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบรรดาไวแลนะ้วสมาถานศึกษาอย่ยงางศึสษาหมดตามที่พระองค์ทรงบรรดาไว้ชือสุลาได้เป็นผู้อหญ่เป็นประธานในสงฆ์เขารบนับถือที่สู่นั่นเชื่อฟังเท่าตามของท่านไม่รู้อํานาจแข่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในเศนาสราราภาตั้งใจอยู่ว่าเพิ่มที่สุดสําเรียนึ่งผู้มีศีลจังมา ม, มาเสวาคอยมาคอยม า, ม า, ม า, มาแล้วที่มาแล้วคอง อ, อยู่ถถึึงสุข ทำเกียรติอย่างนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไมมีความเฉยเลยมีแต่ความเจริญก้าวหน้าพระบรมศาสดารับรองอับายังมุกทุกประเทศรับรองมาชี้ภายถ้าเวทนะรับรองว่าเจริญนั่งมนเอียรมณเอกยรพระพุทธศาสนาทายว่าอยู่ทุกยุคทุกสมัยนั่นเราจะไปหาคําสอนดีที่ไหนมาอีกเราจะไปเรื่อมใส่รัที่ใดใอีกนี่นั่นวิทย ทก็สอนการขมิตมิแค่สี่จักรวรรดมีอุปการะมิตรูกศุกร่วมชุกมิตรเนี่ยประโยชน์มิตมีความลักใคท่านก็สอนการขมิตรไม่ใช่ว่าทรัพสัตคนทางมิตมีอุปการะมีลักษณะสี่ป้องการพื่นผู้มาเรียป้องการทรัพย์สมบัติของเพอนผู้มาเแียเมื่อไม่ใช่เอาเป็นทปครื่องมลรักได้เมื่อไม่สุระสอบทรบให้เกินกว่าที่ออกปากมิตรลูกศุกร่วมทุกมีลักษณะสี่แสความรักของคนแก่เพื่อนผิดความรักของคนหนุ่มแ่างๆไม่ละทิ้งในยามในวัดแม้ชีวิตกว่าตลอด มิตรได้ประโยชน์มีลักษณะสีห้ามให้ความนชั่วตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้ในจาระงานบอกฟังสอนให้มิตรมีความรักใครมีลักษณะสี่ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุกก็ชุกด้วยโตเสียงคนที่พูดติเตือนก็ระลวงคนที่สาเสียงเพื่อนนี่คนสี่กระโขงนี่เป็นเป็นมิตรแค่คนคบเนอะคนที่เป็นคนคบคนปฏิรูปมิตรก็มีอยู่สี่จำพวกแต่ในจำพวกก็มีสี่ที่สี่ก็เป็นสิบหกชุดของสิบหกเป็นสามสิบสอง ทั้งม่ดีทั้งไม่ควรครบหนึ่งคนต่อรอบสองคนดีแต่พูดสามคนคงกระจบที่ควรชักชวในทางคืบหายหนึ่งคนต่อรอบมีลักษณะสี่หนึ่งคิดเอาของเพื่อนแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้เพื่อนน้อยคิดเอาของเพื่อนมากสามเมื่อไม่ใครแก่ตัวจึงรับทํากิจธุระของเพื่อนเพื่อขอสอเพื่อจะขอสตางค์ี่คบเพื่อนเพราะเห็นกับประโยชน์ของตัวนี้เป็นสวนคบสองคนดีคนดีอยู่แต่พูดมีลักษณะสี่หนึ่งเก็บเอาของลงแล้วมาปราใส่คือยังไง เพื่อนๆขอเงินสองราบาทบ้าเออเจก่อนนี่อยู่เพื่อน ấy. เอ๋ยเงี้ยนี้ไม่มี้องอเอาของที่ยังไม่มีมาปลาใส่เออเดือนหน้าเชก่อนเดือนมันเดือนออกเชก่อนยิ่งเอาเพื่อนสามสองขอแต่สิ่งหาประโยชน์ไม่ได้เอาของนี่ให้เพื่อนแล้วหาอบายเอาของเพื่อนมากกว่า น, นี้สี่ออกกว่าเพื่อนไม่ได้สามคนเชกควรในทางชีว ะ, ะสามควรพาไปจบมีลักษณะสี่ หนึ่งเราทำดีมันก็ค่อยตามสองเราทำชั่วมันก็ค่อยตามสามต่อหน้ามันก็ว่าสาะเสือสี่เรหลังตั้งเดนทาอันนี้เขาเป็นคนกปพระบรมาศาสามิจะทัวในทางชีบหายมีลักษณะสีส่อนี่นี่หนึ่งัตรวนหนึ่งน้าเมาสองฉัตรวนเที่ยวกลงคืนสามฉัตวนให้มากันเล่นสี่ักรชวนเรียนกาพนันมิจสีจำพวกนี้ไม่ใช่มิจเป็นแต่คนเทียมมิจนนั่นนั่นนั่นพระบรมสารศาศาศาีราพวกเรา ดื่มน้าเมาจนเป็นการควบมิดนั่นพวกว่าควบกันนั่นคนฟีบ้าควบกันดื่มหน้าเมาจนเป็นการครบเม็ดพวกเรกาชักชวนดื่มน้าเมาชักชว น, เ ท, น เ, ทเที่ยวกลาคืนไม่มีประโยชน์ชักชวนให้มองเมาในการเล่นต่างๆเช่นเล่นฟุตบอลเป็นต้นหรือเล่นอะไรเป็นต้นถึงฟองถึงแฝงอะไรเขาตีก๊อปตีแก๊ปอะไรตีกินสมบัติอะไรมันมีประโยชน์อะไรนั่นเด็กตะกอ แล้วไปปลูกผักไปหดผักมันไม่ดีกว่านั่นหรือถ้าออกกําลัง น, นา ง, างนั่นในทางชิบหายท้านละมวยเอกทีมหนึ่งทีมนี่นนอื่ลงบาลงบ้ลงบอลงเบอร์ลงเบอ้อนั่นชิว้วหายทา้านละนี่ชักชวนดื่มน้ำมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มอมอในการเล่นชักชวนเล่นการพ น, นันนั่นไม่สิีจังพวกนไม่ใช่มิส เป็นแต่คนเทียมนิดคนครบเนอะรักษาทรัพย์ของไม่พูดมาแล้วเมื่อมีไฟเอาไปมีเพื่อนทำรักได้เมื่อมีชั่วช่วยออกทรัพย์ยังเกินกว่าที่ออกฝากออกฝากว่าจะให้เพื่อนจะช่วยเพื่อนร้อยบาทมันช่วยแค่สองร้อยหรือสามร้อยหรือพัน น, นั่นควรครบนทุกข์ก็ทุกข์ด้วยซุกก็ซุกด้วยโตเถียงคนจะพูดติเตือนเพื่อนรับรองคนท้วงสนเสินเพื่อนอันนี้ไม่จจาพวกนี้ควรครบนั่น ตอนโ ค, ค้มิสพระรมสาสีาก็เปิดแล้วไม่ได้ปิดค้นทางุทบาตาวินแทเทสังคนมัน ย, ย่อมหาทรัพย์ได้หาทรัพย์ได้ทั้งภายนอกภายในคนที่เกียจหาทรัพย์ไม่ได้วิธีทุกขามัจเจติคนร่วงทุกแต่เพราะความเพียรเพียรในทางที่ชอบถ้าเพียรในทางที่ผิดมันก็ผิด่าจะมีเทวะปุริโสเป็นผู้ชายความควเพียรในทางดีจะตายนำพระบระมา ส, สราสดา เพียรรับาเป็นบาเพ็ญบนเป็นเพียรในทางพุทธศาสนาผู้ที่เขาเพียนทำความเชั่อเขาก็สําเร็จเหมือนกันแต่มันให้ผลต่างกันเขาเพียรรักเพียรขโมยเพียนต้นมันก็ได้สาเร็จของเขาเหมือนเหมือนกันแต่มันให้ผลต่างกันนั่นความเพียรเป็นทํากลางเพียรในทางที่ชอบละชั่วทําดีจึงเป็นความเพียนในทางพุทธศาสนาะเพียนรักชกเลาห่อเพียนเบียดเบียนท่านผู้อื่นคำสอนใดในใจโลก่านุไม่ไม่เท่าคําสอนในพุทธศาสนาแต่ดอกจะเอานักเื่อมาให้ว่ซื้อมาให้นี่ สอนทั้งคระวาสเธอไม่อยากบวชก็อย่าบวชเนอถ้าเธอบวชหมดใครจะมาใส่บาตรให้เราตะทาโคตเธออยู่ทางคระวาสก็สามารถได้เพราะตัวอบานสักชาคามีอ น, นาคามีอรหันต์ได้เหมือนกันนั่นถ้าเธอปฏิปะพฤติปฏิบัติตามคำสอนของเราตะาคตแลธอพวกฆระวาสถ้าเธอทั้งหลายชิบหายเราจะให้มาขี้ใส่หัวเราตะาโคตร่ะประกันอย่างจนถึงเสียงนั่นคิกื้นซ้ำอีเนัก็เหมือนกันปฏิบัติตามคำสอนของเราตั ว, ต ว, าาวาอบาอน ขี้แสปากเราพวกฆาตละวาถ้าเธอไม่ปฏิบัติตามคำสอนของถ้าเธอทั้งหลายปฏิบัติตามคำสอนของเราในทางฆาตละวาดแล้วให้มีชิน้นห้าบมเลกุลฆาตละวาถ้าเธอทั้งหลายชิปหายด้วยชิย้นห้าเนี่ยเราจะให้ขี้แส่ปากเราเธอทั้งหลายไม่ชิปหายหรอกนะเขาบอกหลงพ่อชาติาพูดอย่า ง, งถ้าเธอเล่นอาบายยมุกละถ้าเธอเล่นอาบายยมุกถ้งปวงแล้วเธอพลาดเพียนหาทางในทางบมเลกุลแล้วนะ ถ้าเทากชกเธอชีพหายราัฐแท้โคตรจะยอมให้ขี้ใส่ปา่ากพบะบรมาสารีรามพูดถึงขนาดนีน้วอ๋อวมันครอบโลกหมดแล้วอ๋อพวกที่ขาย อ, อาวุธเนาะห้ามเครื่องข้างห้ามขายอาวุธรัสเซียเขาขายอเมริกาอเมริกาขายให้รัสเซียคําว่าขายอาวุธก็หมายความว่าเอาวิชาเวดวิชาไยให้กันนั่นเขาจเจริญไมหม่ขาก็ไม่จเจริญเขาก็จเจริญ กว่าเล่าตั้งแต่เครื่องค่าศักด์จริงแต่ว่าด้านอาวุธหรือด้านอาหารไม่เท่าประเทศไทยทําไมประเทศไทยจึงเป็นอู่ข้าอู่น้ำอยู่อุปกรณ์ประเทศไทยมีฐานาวัดชีววัดถาวนาวัดนั่นก็มีอู่ข้าวอู่น้ำอยู่ถึงแม้จะจนจะด้อยเขาก็ด้อยแต่เครื่องรบแรงข้าวฟันกั น, นเรื่องอื่นไม่ด้อยใน ป, ประเทศญี่ปุ่นก็ต้องเข้าซิวกันซืน่ออาหา ร, รม่เชนอเมริกาเขวันละเท่านี้ขนมปัง ประเทศอื่นก็เหมือนกันดั้งศรีเวเดนอาเวฮอลันดากินไม่ได้ซ้าเนี่ยช น, นจะจงเป็นอย่างนะ้ก็พวกนั่นไม่ได้มีทานชินภาวนาในศา ส, สนะพุทธน่ะตอนนี้พอแล้วคำสอนในไต้โลกธาตุเราก็ยินดีอยู่แต่เม่อถ้าคำสอนพุทธศาสนะคําสอนในหลายที่มันปเปลนเกี่ยวคําสอนพุทธศาสนามมันไปไม่รอดนืองกันโยมโยมมีกี่คนโยมคนเดียวอันนั้นของกินหมดได้เป็นวัตถุภายน อ, อกมันกินหมดเป็น จะมีรายรับวันละหนึ่งล้านก็อยู่ไม่อยู่เนอะพวกเล่นระบายจมูกประตูใดประตูหนึ่งเปิดซะเอา้าการเล่นการพนัน ไ, ไม่เล่นแต่ว่าเป็นนักเลงหญิงเ อ, เอาเถอะนักเลงเลงหญิงไม่เล่นแต่เป็นนักเลงสุราก็เอาเถอะเ อ, าเอา้าน้ําให้โตตัวอย่างนี้ละ่ะแล้วไปเปิดช่องในช่องหนึ่งแค่นี้กว่าเราจะเอาไปตักมาจากขั้วเนี่ยมาใส่มาเทใส่เนี่ยมันไหลไปมากแล้วใครจะปตักทันนั้ง เขาจะตักไปจ้วงมาทันมันโบราณเรียกว่าจ้วงเอาไปจ้งวงฮามาสาักสองไหนโบราณว่าอย่างนี้นแต่ทุกวันนี้เรียกว่าตักคำว่าตักเป็นคำ า, าภาษาภารีสานคนทียจับภาษาพารีสานนี่มากเลยเอาให้มันสะอย่างนี้แสะคําว่าสะก็มีในในาภาษาพารีสานอย่างนี้ภาษาพารีสานมันลงไปเต็มกรุงเทพหมดเลยมันพ น, นกันทีนี่คําพูดก็พนกันทีนี่สมมะละกออย่างนี้แต่ก่อนพวกสมตํามะละกออย่างนี้ แต่ก่อนก็พวกพวกรุงเทพก็กินไม่เป็นแต่ตอนนี้พอภาคอีอสานระหัดกินเป็นแล้วเนี่ย <c oughs> ถูกไหม <c oughs> แต่ว่าใครจะไปะหัดก็จะไปกินลาบดิบลาบดิบไม่ดีนะเกิดโรคพยาธิปากขอผมจะมาบวชนี่ผมไม่ได้กินลาบดิบโรคพยาธิปากขอผมผมไม่มีมาแต่สองพันสี่ร้แปดสิบแปดแล้วเนี่ยโรคพยาธิพยาธิปากคอมาเกิดด้วยกินของดิบเนอเคยก็เป็นของดิบดิบเหมือนกัน ก็ไม่ควรสิ่งนี้นที่เป็นของหยิบของไม่สุก ข, ของที่ควรสุกด้วยเนื้อด้วยไฟก็ต้องให้มันสุกโรคพยาธิปาก ข, ขอไม่ปืดว่าได้ดีโชคดีมงคลเลิศที่นี่เกิดมาพบศพสมัยในพระพุทธศาสนาเจริญเจริญนามสยญญามเมืองเรืองวิไยวิไลเตรียมมันไปพบท่วนขบวนสงร ง, งอยู่ที่ใจพุทธโธแปลว่ารู้ใจพุทธโธแปลว่าโรระบาบําเพนบุญ ทำโมแปลวสองไ้ซึ่งระบาบันเพลมุลสังโคแปลวปฏิบัติระบาบันเพลบุลจกลงพวทดธรรมโ อ, อโทังโคอยู่ที่ดวงใจนะักสินห้าตัววันอาทิตบาทไม่ทําอาทินนาไม่ทํากาเมยไม่ทํามุสาไม่ทําสุราไม่ทําแล้วก็มาเป็นสินห้าตัวมาเป็นศินห้าเกลียวกลมเกินกันอยู่ที่ดวงใจนะรักษาตนก็คือรักษาใจคนอยู่ใกล้คิดจะนํำใจมาให้ก็คือใจในเองมันนำใจมาให้ เป็นประโยชน์อะไรก็ไม่เข้าใจคนตายมันก็ตายก็แล้ววิญญาณมันวิญญาณไม่อยู่ที่อื่นรักษาศีลก็รักษาใจทําดีก็ทําดีให้ใจทาชั่วก็ทาชั่วให้ใจนอกจากกายไม่มีอะไรจะทําดีให้ใจนอกจากใจมันก็มีอะไรจะทาชั่วให้ใจตาหูจมูกที่มันทำอะไรเป็นร่างกายเปรียบเป็นรถผู้จะซ่อมแซมรถก็คือผู้ขับรถผู้จะซ่อมแซมร่างกายก็คือคจิตใจเป็นหัวหน้านั่น เทวีอตโนนาโถตัวน네ี er ้ท <paralysis> <Yeah. S 1> <Media. S 2> ี่พของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจก็คือทำเป็นที่พึ่งของกรรมก็มีสมาธเดียวกันพระพุทธศาสนาโยนลงมานพระผูเป็นเจ้าเปผู้สร้างขึ้นก็พราะพระผเนเจ้าใจนี่เองผู้สร้างขึ้นความเจริความดีนั่นพระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้เราก็เป็นเทยงบอกเธอทั้งหลายเพราะทรัพย์ของเธอทั้งหลายนีแล้เราเป็นเพทวีบอกเขาออกให้เสรีพวกเธอทั้งหลายเชื่อไหมใช่ไหมเป็นเราเนื้อนอนเธอก็พวกพวกเธอก็ต้องนอนเองเนื้อเราก็ต้องดื่มเอง เนื้อข้าวเต้องรับทานเองเราจะไปทําแทนพวกเธอไม่ได้อของพวกเธอมีบริบูรณ์แล้วมนลทินสมบัติของพวกเธอมีบูรณ์แล้วมีบริบูรณ์แล้วไม่เปลเป็นคนว่าบ้เสียสิทธิสิทมนุษย์นักละเอาเนอะทิท้งทำก็อยู่ที่ดวงใจของพวกเธอทั้งหลายนั่นพ้าผู้เป็นเจ้าที่สร้างขึ้นก็เจ้าคิดเจ้าใจของพวกเธอทั้งหลาย น, นั่นเองสร้างขึ้นเราเป็นเพียงที่อบอกถ้าเราชี้อบอกแล้วพวกเธอไม่ปฏิบัติตามแล้วเขปฏิบัติแทนเธอไม่ได้ ผู้ใดเห็นธรรมก็ผู้นั้นเห็นเราจะสาปพศผู้ใดเห็นเราจะสาปพศก็คือผู้ผู้นั้นเห็นธรรมถ้าผู้ใดไม่เห็นธรรมจะมาจับชายกีวันจะาพศเขาเรียกว่าไรไม่ไม่เห็นสะาปพศนั่นพูดมันมีที่แสงพุทโธก็อยู่ที่ดวงใจของผู้เธอทั้งหลายที่ไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผููไม่ทำผัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสดนั่นอรียกทำให้ทิโตนโรทิโตนี้ทอฐานนัโรแปลว่าหนอรรชน ที่ตไปว่าตั้งอยู่ีตัวทอถ า, านความดีอรยธรรมคือทําอันประเสริฐอยู่ที่นอนทุกนอยู่ที่จิตใจของเธอเธอทั้งหลายต้องทําจิตทางใจของพวกเธอให้มีประโยชน์เนาะนักพวกเธออย่าไปเบียดเบียนพวกเธอเน้ะนอกจากใจไม่มีอันใดจะเบียดเบียนใจนอกจากใจเขามันมีอันใดจะทำประโยชน์ให้ใจได้นั่งหมากนันเป็นตัวยังไงเราเนื้อกลัให้ผู้อื่นรถของขบโกดพวกนี้จินจะมามันก็ไม่ใช่เมื่ก็มาในเวลานั่ง เราเน้เมตตาท่านผูอื่นผลของความเมตตาจะมาหาเราในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่ก็มาในขณะนั้นเองนั่นเหตุก็ผลมาอยู่ห่างกันเท่าก้าวเหตุจับผลก็จับเหตุวางผลก็วางนั่นเมื่อเมื่อเชื่อเหตุเชื่อผลแล้วเขาเชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนอพระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งให้ตนของสอนให้พึ่งตนเองเมื่อสอนให้พึ่งตนเองในทางที่ชอบไม่ใช่ให้พึ่งตนเองในทางขั้วนั่นพระพุทธศาสนา เขาพินเล่าเขาก็บอกเขาพึ่งตนเองพึงพ่งตนเองทํำลายตนเองเสียทรัพก่อการฉลอยว่าเกิดโรคต้องเตรียมนู่นนี่จกากอายพองลังปัญญานั่นเขาก็บอกเขาป็นที่พึ่งของเขายังไงได้ที่บริเวณของเขานั่นทีนี้การเล่นการพนันก็มีโทษหกหนึ่งเงมื่อชนะย่อมก่อเวรแเมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปสามทรัพ ย, ย์ย่อมเสียหายนั่นสน้ำลงอีกสี่ไม่มีใครเชื่อถือเขาทำห้าเป็นที่บินก็ามาของเพื่อนและบันทิดและคนทั่วไปหกไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย ผู้บัญชิดเขาก็ไม่ประสงค์จะแต่งงานด้วยไอ้พวกขี้เรี่ยมก็แต่งงานนั่งนั่งถ้าเราศาสนาพูทธโบราณเนี่ยเราไม่เห็นทางเจริญเลยถ้าออกนอกรูนอกพระพุทธศาสนาไม่เจริญพระก็ไม่เจริญยงก็ไม่เจริญคณาวาสก็ไม่เจริญรัฐบาลก็ไม่เจริญถ้าออกนอกริบนอกรอยพระพุทธศาสนาเนี่ยสอเจ้าสอนนายพระพุทธศาสนาเขสอนเนี่ยสอนบ่าวพระพุทเจ้าพระพุทธศาสนาเขาสอนเนี่ย ถ้าเป็นเจ้านายเขาถ้าเป็นถ้าถ้ามีคนงานถ้าเราเป็นนายเขาเป็นนายช้างเขาถ้าถ้ามีเบาอยู่กับเราประจำวันกันจงจัดการงานให้ทําตามสมควรแก่กําลังจงให้อาหารในรางวันจงพยาบาลในเวลาเก็บไข้จงแจกของแจกแบบมีรถแต่ประลาดให้กินและปล่อยในสมัยวันที่วันเสาร์วันจันทร์วันศักร์วันที่วันเสาร์วันศากรวันอะไรว่าตามธรรมเนียมของชาวโลกคือ ทีนี้สำหรับบ่าวหนึ่งลุกขึ้นทำทาการงานก่อนนายอย่าเห็นแก่แค่ขี้เกียจขีอข้าสองเธอการงานหนึ่งลุกขึ้นทำงา น, งานสองเลิกการงานทีหลั ง, งานายสามเลิกถือเอาแต่ของที่นายให้จ่าวไว้ยักลักจอบลักเสียมไปขายเป็นต้นทำการงานให้ดีขึ้นอย่าเห็นแก่วันแก่เวลา นำคุณของนาไปเ ส, สอนอในที่นั้นนั่ น, น, นลูกจ้างคนทุกวันเนี่ยให้เป็นผู้คับรถเ ก, ก๋งแักขายน้ำมันนั่นมันไม่ถูกทีนี้ลูกจ้างกับบางทีก็เจ้านายผู้จ้างก็ บ, บางทีก็พราะมันมีเรื่องหนักท่าที้เช่นกันนี่ถ้าต่างฝ่ายต่างเขารบกันแล้วลูกจ้างกับนายจ้างจาทะทะเลาะขวิวาทกันมาจากประตัวไหนก็ไม่มีนั่นรองผัวก็มีท่านก็บอกพระบรมศาละ ด้ว ย, ย่องวงนับเถือเป็นภรรยาด้วยไม่ดูมินด้วยไม่ประพูตร่วงใจด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องเสียงตัวภรรยาได้รับบำรุงที่นี่แล้วยอดยมนุกข์สามีด้วยสถาหน้าหนึ่งจากการงานดีสองทงเขาะของข้างเสียงของผัวดีสามได้ประพฤตร่วงใจหูัวสีรักษาทรัพย์โดยถูกขัวหามายในวัพข้อห้าขยันในเกียรติข่าในกการทางพวงละระหว่างผัวเมียถ้ามีต่างคนต่างมีคนละข้าห้าข้ออย่างนี้การพะละเบาแยงจะมีตางกันตรไหนมันก็ไม่มีน้ำน้ำหนอง เนี่ยร า, างวิามันดากับลูกเพ่อบุระรมาศาสนาก้ ส, สอนแล้วหนึ่งท่านในเรียกมาแล้วเรื่องท่านตอบสองทำศิลพระของท่านสามดำรงวงตระกูลชี่ประพุตตนเป็นคนควรแล้วก็ค น, ค น, นคระดกก็มนี่คนนี้สำคัญแล้วประพุตเจดมล็ดท่านก็ไม่สงเคราะห์ประพุตตนนี่เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกเพราะเราได้รับมรดกมาแล้ว 2, ค้าสองแขนสองขวหนึ่งแล้วเราก็ต้องพุตตนให้คนคนควรรับทรัพย์มรดกนี่อย่างอย่างทำควรทรัพย์มรดกอันอื่น ท่านก็จะให้ถ้าท่านมีท่านม่มีแล้วถึงแม้ท่านมีหรือไม่มีท่านก็เลี่ยงเรามาแล้วเราก็ต้องเรียกท่านตอบทากิจเพร่ะของท่านดํารงองคตระกูลประพฤติตนจะเป็นคนดีระท่ามรดกเมื่อท่านรองรับไปแล้วกอสมุดอีที่ในท่านนั่ง่วนท่านนั่งถ้าเราเป็นคนดีหนึ่งแนะนำหนึ่งห้ามไมกะทําคนชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศีลพระวิทยาสี่ หาภรรยาและสามีที่สงวรให้พ่ห้ามบอกสักในสมัยนั่งปศอันนี้มันมีอยู่ที่เขาสั่งกันว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีท่านเรียกมาแล้วเป็นเรื่องของท่านเ อ, ออย่างนั้นอย่างนี้พวกผีบา้ามาเกิดขึ้นมาใหม่แล้วได้ยินอยู่บนกันพวกเทวทัต ร, ต ร, ต ร, ต ร, ตรไปไหนสรับไปอันนั้นดอกงั่นไหวย่อมได้ไหวตอบอธิดามนาเรี่ยงเรามา เราก็ต้องตอบท่านเพระบระมศาสตราเกิดมาในพวบใดาชาตาิใดในทิ่งเวลามรราเลยชาติเป็นพระสมานกับพรเจ้าเข้าประเทศประเทศเอาโปรดเพราะว่าสุดโตษนะเป็นพรทหรันส่วนพระบรรดาประเทศจนถึงพระตัดาบันเกิดชาติเป็นนกแขกก็ไปหาข้าวชาวนาที่ร่วงหล่นมาให้เวลามรรากินพระบระมศาสตราเอาเป็นอย่างย่ง้เชาติเป็นลิงก็ไปหาผลไม้มาให้ มิรามนาสิ น, นไม่ได้ชีไม่ได้ชี้มิรามานาเลยมิรามานาติตาจะพามานาติตา ม, มาตาสพามานาทิรามานาเหมือนผมของบุตรชี่ในธรสมบทคือลูกเลี้ยงลูกมาแล้วลูกไม่เลี้ยงก็กล่าวคา้าด่าลูกลูกว่าเลี้ยงบุฒินี่แม่นักไม่แทนนุ่พอได้หนนใจหน้อยคุณแม่ท่าพอนี้มีมากมายในข้อมกายย่างย่องก้องเกิดดิน จะเดินทางไปสร้างไหนไกลสถานไกลสถานเพราะจะพบพารามสลายเพราะเมื่อพศพารามสลายจะวายวุ่นไม่เท่าปัดวัตเอย่ยงไปตามบุญคงมีคุณนกว่าลูกที่ปะละเลยลูกที่ปะละเลยไม่เท่ายังดีกว่าเพราะจะไล่สัดที่จะมาราวีเช่นเขาพูดกันเกื่อนว่าเช่นเช่นเขาพูดเจราจากันเกลื่อนเขาพูดกันเกลื่อนอยู่ว่า ลูกเป็นลูกขี้กาเจ้าข้านี่เอ๋ยพราะไม่รู้จักคนพ่อคนแม่เหมือนลูกขี้กาขมขมแดงแดงกิ่งอยู่นี่ลูกกลุมกลมกลมตัวนี้เหรอลูกขี้กาเหมือนลูกขี้กุขี้กากูในสักข่าเอ๋ยเมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชรากาตรงเนี่ยท่านอย่ากให้อดละโทษใจเมื่อพระพระชนกสนานีในพระเดชน่าจะเกยเกยสามาเกินใหญ่รูวอุทุศรตข้าวเป็นท้าไร มันจะได้พึงดาพาพิดาดือนถ้าเราดีมีิ อ, อุบสธรรมกุศลน้ำเลือดเขาครอบวเขาหลวงจะปรากฏยึดยึงสงงิ่งต้งต้องตวงจนกว่าจะล่วงลึกถึงซึ่งพระนักเลืานนันมันมีเหมือกันผู้ใดอัปตันยูบิดามานดาจะบวชก็ไม่เจริญจะเป็นเจ้าเป็นนายก็ไม่เจริญจะเป็นพู้ฆ่าพู้ขายก็ไม่เจริญจะเป็นพระเป็นเนรก็ไม่เจริญก่ายไปไม่รอดอ๋อ รัฐที่ที่ไม่มีคุณวิรามานดาเข้าไปได้ไหมเห็นอยู่กับตาแล้วเนี่ยทุกวันนี่เสือต่อเสือกันกันอยู่เนี่ยอ๋อพิยาดูสิพวกมีเขาไปได้ไหมนี่พวกมีเขาก็ประกาศศาสนาว่ามันมีคุณพ่อคุณแม่อะไรถูกไหมนี่คเห็นไหมน่ะเห็นเห็นไปจัดแฉกหน้าไหมน่ะเขาไปรอดไหมน่ะนั่นนนนันนั่นนั่พูดน้อยพออธิบายพูดหลายเขาจะฆ่านั่น อ๋อพวกซื้อสอบศาสนาอื่นอา้าศาสนาไหนบ้างศาสด า, าได้ว่าประเทศไดบ้างเคลื่อนล่ากว่าประเทศไทยเรื่องอาหารการกินเอหนึ่งประเทศไดสองประเทศไดสามประเทศได้ไม่มีนั่นประเทศที่รวยอย่างนี้เราไม่อดอาหารเนี่ยประเทศไทยไม่อดอาหารก็ เ, รเห็ น, ไ ด, น, น, น, นได้เพราะมีทานวัตศีลวัตภาวนาวัตในศาสนาพุทธถึงจะดอยเพราะสุ ข, ขงไหนก็ตามจะซื้ออาหารไปตอกใดก็ได้ อันพวกประเทศอื่นต้องเข้าสิวกันไม้พอกันกินนั่นอย่าเมื่อเห็นประเทศไทยมีทรัพย์มีศีลวัตถุภูล้วพากันหาอุบายวัตินั่นลัชที่นี่เข้ามาถ้าหากว่าพวกชาติอื่นมาปกครองประเทศไทยเนี่ยไม่สวันก็หิวตายอดตายเพราะมันไม่มีทานวัตศีแลวัดภาวนาวัตในทางพุทธศาสนาเชื่อเถอะอ๋อ <c oughs> น, นัผมมองเห็นนี่แล้วเรื่องนี้ผมเอกมา พ, พุทธศาสนาเป็นแวดเป็นกระจกเงาสิ่งไี้ที่เพป็งเกลาระเพราะว่า แม่กระจกเงาคือคืออะไรคือคําสอนพุทธศาสนากล้องจุลทรรศกล้องจุลทรรศที่ดูตัวโลกมันอันนี้มั น, ม, นมันยังไกลเรียบดีอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งกล้องจุลทรรศที่มองดูทางศาาีลธรรมเอพระพุทธศาสนาเป็นกล้องจุลทรรศเป็นดิงเลยนี่นี่ <c oughs> ดิงเลยนี่นี่นี <c> ่ <oughs> คำสอนนอกศาสนา่นะวัตถุสมบัติทางไหนมีก็อเอ็นไป <c oughs> เอ็นไปพู้ศาสนาแทบไม่ได้เอ็นกับวัตถุสมบัติเนอยวัตถุนิยมเราก็ชมว่า ด, ดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอ น, นิจจังพระบรมศาสนาก็ไม่ประมาทถ้าใดมาในทางที่ชอบก็ไม่ประมาทวัตถุสมบัตินามานจะปฏิวัติเรคนทุกนะว่าถ้าสารได้ถ้าใดมาโดยทางที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นมงคลท่านกล้วนั้นพระพุทธศาสนาปลดเรียนปลดไทยออกแล้วปลดอาวุธแล้วพระนาถิบาทก็ปลดอาวุธฆ่า อาทินาก็ปดอาวุธรักกลางเอกโกโปรอาวุธล่วงละเมิดประเวณีเขามุสาก็ปดอาวุธพูดโปรสุราก็ปดอาวุธดื่มสุรามันมีประโยชน์อะไรดื่มสุรามันกล้าหารเนี่ยพวกีบ้าก้าหารพวกขับรถขับเรือไปชนกันก็มีมีแต่ผิบ้าเมาสุรานนัเองเป็นส่วนว่าขับเครื่องบินไปชนภูเขาก็เมาสีลานั่นเองเมาสุราเนี่ยเองนั่มันมีประโยชน์อะไรปีห น, นึ่งปีห น, น, น, นึ่ ง, ม, ง, ม, ม, ง, ง, งมด มดข้าวที่ไปทาธุรานะมดัดจีตันปีห น, น, นึ่งๆงเอาข้าวจำนวนนั้นมาให้คนกินทำงานไม่ดีหรือนั่นกินเหล้าแล้วมันมีประโยชน์อะไรหนึ่งเสียทรัทพย์สองก่อการทะลอยวา่าสสามเกิดโรคสี่ต้องติเตียนห้าไมา่รู้จักอายหกทอนกำลังปัญญานั่นเถียงเลยพระบรมศานาจริงอย่างนั้นจริงเดี๋ยวพวกมองอยู่ด้วยกันยิงกันตายคาที่นั่น มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เลยเป็นโทษรนร้วนสิ e ่งไันที่พระบรมศาสดาห้ามอย่าไย่ไม่เนี่มันเป็นโทษรร้วนแอ้วนี้สอนคารวะพวกพระพวกพระของเรามันผ่านมาแล้วอภัยยมุกทุกประเภทสอนคารวะส่วนพระของเรามันผ่านมาแล้วพระเนรขเราผ่านมาแล้วคําสอนอะไรในแต่โลก่าตุเราก็ไม่ประมาณแต่เราไม่นักท่าคำสอนพระพุทธศาสนาเพราะคาสอนพระพุทธศาสนารวบวัดบทแล้ว คนละาอต่อบาวควบคว่ไต่อบาวเท่านั unda, <utta hat> ้นจะคุ้มครองโลกได้นั่งรวบมัดหมดแล้วเนี่ยไหวติงไปมาไม่ได้นักมวยเอกเนี่ยมันกําลังแข็งเนระวังให้ดีระวังให้ตึงเลยเนี่ยนั่งปอดรวบแล้วเนี่ยรวบมัดหมดแล้วเพราะคืารนารวบมัดหมดแล้วถ้าไม่มียังไอต่อไม่ควงคว่ไต่อบาวแล้วจะตั้งมาขีดล้านมาจ่าเก็ตามเถิดถูกไหมนั่น ทำความผิดในที่แก้ไม่ได้มันก็ไปทําในที่รับนั่งรวบกดหมอยหมดแล้วนะถูกไหมนะนนพวกเราจะอยู่ด้วยกันได้เพราะเกรงกลัวต่อบาปจุงรักกันเหมือนพินามัาเดียวกันท่านยู่ว่าหลวงพ่อลาปูอย่างนี้เรารักชีวิตเขาขนาดเรารักชีวิตเราขนาดไหนเขาก็รักชีวิตเขาขนาดนั้นนั่นหลวงพ่อาปเรารักของเขาขนาดของเราขนาดไหนเขาก็รักของเขาขนาดนั้น เรารักตระกูลของของเราขนาดได้เขาก็รักตระกูลของเขาขนาดนั้นอย่าไปร่วพบรเวณีเขานั่นเขาชอบพูดแต่คําจริงเราก็ต้องชอบพูดแต่คําจริงอันเดียวพอพระบรมศาสตดาเอาตนเป็นพยายามสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ตนแต่ว่าเสียท่นผู้อื่นก็ไม่ควรสิ่งนั้นสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ทนั้ทงตนและท่านผู้อื่นสิ่ง น, นั้นควรเช่นเราไม่ฆ่าทัพย์รักทรัพย์ผูิดในกาลอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งเราด้วยเราก็ไม่ได้ปลุกเรีปลูกไฟเขาเขาด้วย เขาก็เป็นประโยชน์กับเราอีกด้วยเพราะเขาก็ไม่ได้ระแวงเรานั่นเป็นประโยชน์ทั้งตัวและผู้อื่นนั่นเห็นกันใล้ๆเลยอ่ะไม่ต้องพูดไปลึกดอกอืมพูดไปลึกยังมีกว่านี้เรื่องต้นสอนในธรรมาหายอย่างชีวิตในชาติที่ชอบเรื่องการสอนให้รีบเร่งภาวนาเรื่องท่ายสอนให้เบื่อหน่ายถอยมอนใ้วาระสงสารได้ในลวกลวดอันนี้จังได้ในรวกลวดทุกขังได้ในลวกลวดนั้นก็ เมื่อเห็นความเกิดแก่เก็บตายเป็น ouais. see, peace, immt, ทุกขครั้งกินเดียวก็เห็นรอบโลกแล้วเพาโลกจะไปด้วยความเกิดแก่เก็บตายนี่ธรนมะชั้นสูงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเกิดขึ้นแล้วแปลผนแล้แจกสลายอยู่หาระหว่างไม่ได้ก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพาะโลกจะไปด้วยความเกิดขึ้นแปลผลแล้แจกสลายนั่นท่านอีตท่นาคตท่ปัจจุบันด้วเอาตัวปัจจุบันเป็นตัวประกันคือลมเข้าข้างหนึ่งมีท่างเกิดขึ้นได้แปลผลแล้วดับไปด้วยนั่น ลบออกข้างหนึ่งมีขัาเกิดขึ้นแล้วแฝงวนรับไปด้วยมีความเกดขึ้นแฝงปวนหาระหว่างไม่ได้แบบนี่เดี๋ยวนี้พวกเราแก่ก็แก่หาระหว่างไม่ได้พวกเราเก็บก็เก็บหาระหว่างไม่ได้พวกเราตายอากเข้าสายใบซ้วใบเที่ยงก็หาระหว่างไม่หด้วันนี้พวกเราแก่กว่าเช้านี้ใช่ไหมเนี่ยใกล้จะตายกว่ามันเช้านี้ใช่ไหมเนี่ยนั่มนี่ธรรมะชั้ละเอียดกันไปอีกนี่นี่ธรรมะชวัตถุดอกอัญชุกันเนี่วัตถุทั้งปวงก็เป็นเพียงเพื่อปฏิบัติพ้นทุกในวัฏฏะธาสาสงสองสารเท่านั้นไม่ใช่ว่า จะเป็นเพียมาให้เราเป็นเ ป, นเปนเรตเศร้าอยู่ในวัดปตสาสงสารนี่นั่นแล้วพโลกทั้งปวงมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราเอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แามมาก่จ้าปามาภิจระหกสั้นโทมโลกได้แก่หลวงหกเจ็ดสิบหกชั้นแลพโลกทั้งปวงรวมลงมาในสังขารโลกสังขาราลากรามาภิขาสังขารจิตทุกอย่างนี้โลกเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันนั่นเทราทั้งหลายอย่างยินดีในโลกทั้งปวงแล้ เธอยินดีทั้งหลายยินดีในโลกทั้งปวงเขาตการว่าเธอทั้งหลายยินดีในเกิดแก่แก่ตายในลุมฐานเพิงนั่นเองเธอจงเห็นโลกทั้งปวงมันลุมฐานเพิงเชียร์โอ้ยพระพุทธศาสนาทำชั้นสูงโลกคือหมูสัตว์ชาลาพยาธินนำกระไรในอย่างเรื่โลกคือหมูสัตว์บกข้องอยู่เป็นนิสไม่อิ่มเป็นธาตุแห่งสัมห์โลกคือหมูสัตว์ไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพาะใครจําเป็นจะได้ละทิ้งร่างกายไว้ในวตฏสงสาร เหมือนทอดไม่เท่ากันเอ้าใครเป็นเจ้าโลกในโลกอะอเมริกาเขานี่ไ้เป็นรักเซียเขาไม่ไเป็นไทยเขาไม่ได้เป็นฝรั่งมังค่าเขาไม่ไเป็นมิเตอทุกข์กตายเนี่ยเป็นเอ้าใครเป็นเจ้าโลกไม่มีใครเป็นดินลงไปเป็นดินน้ำมาเป็นน้ำไฟลงไปเป็นไฟลมไปเป็นลมสิ่งของที่แตงขึ้นแตงขึ้นแตงขึ้นออกจากไหนออกจากท่าดินน้ำไฟลมเมื่อมันพังลงไปมันก็ไปเป็นดินดินก็ไปเป็นดินน้ำก็ไปเป็นน้ำไฟก็ไปเป็นไฟลมก็ไปเป็นลม ส่วนเวทนาสัญญาถังฐานจิตใจมันก็ต้องไปตามบุญตับกรรมมันเองเพื่ออะไรทำนี้แล้วก็ไปตามนี้เพื่ออะไรทำชั่วก็ไปตามชั่วนะดินเ อ, อเ๋ยเธอเป็นสมบัติของใครตาหูจหมูกเรื่องกายเธอเป็นสมบัติของใครเขาก็าไม่ตอบถ้าไม่ใส่ชื่อนามว่าข้าพเจ้าเป็นตาข้าพเจ้าจะสาบแช่งตา เ, า, าเขาไม่ว่าถ้าไม่ใส่ชื่อนามว่าข้าพเจ้าเป็นหูถ้าพเจกระสาบแช่งเขาก็ไม่ว่าเขาก็ไม่ปัดอีกเหมือนกัน แต่คิดใจมาใส่ชื่อนามว่าเขาเป็นสมบัติของตนแต่เมื่อเขาไม่ยอมอยู่ในสมบัติของคนเขาเกลียดอยากผุนฝ้ายเขาเก็บอยากผุนฝ้ายเขาตายอยากผุนฝ้ายจิตใจก็จเกาเศโศกเสียใจนั่นทงเหล่านี้เป็นหน้าที่ของใจจะพิจารณาตร่นั้นแหละเขาเข้าไม่รับขรเขาก็ไม่ปัดรถก็เหมือนกันข้าพเจ้าเป็นรถท่านน ะ, ะ, ะรถเบนท์รถวานวูอะไรอะไรต่ออะไรนันก็ไม่ว่างเมื่อเวลาพอขับไปก็ขับไป ได้เมื่อไม่ว่าธาตุสี่เดือนน้ำไฟลมมันสมดุลมันขับมันมันก็มาไปเมื่อมันแตกก็เจองั้นเลก็ดีอืเมื่อเวลามันพอเดินได้บางครั้งมันเดินมันก็เดินใจเบืงค้าพยายาเดินเมื่อมันเดินไม่ได้มันนอนคาที่ก็บางครั้งมันลุกมันก็ลุกไม่ได้ฉันว่าอาหน้ามาให้พระสงฆครุณาเอาหน้ามาให้ดื่มด้วยนี่มันไม่สําคัญเนอะเพราะมันพูดได้อยนพระสงก์ครุณามาพยงตัวให้ลุกด้วยอันนี้ไม่สาคัญ เวลามันพูดมันได้ที่นี่แต่จิตมันรู้อยู่มีแต่จะพูดก็ไม่มีกําลังพูดแต่พลิกตัวเขามีกําลังตัวตายคาขี้คาเหยาะที่ออ น, นี่ถ้าเราภาวนาไม่ดีมันก็ไปทุกติเนี่ยตอนนี้สมคจรพวกที่เชื่อว่าตายว่าเราเกิดคนนั้นสร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วพวกที่เลื่อกใช้พพุทธศาสนาเป็ผู้สร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วผู้ไม่เลือกใช้พรพุทธศาสนาเป็าผู้ สร้างมาลานียังอ่อนอยู่นะเป็นเครื่องทดสอบบางสัง่งทาไมเขาจึงสนเขียมนมาได้ก็เพราะเขาตาฟางทําไมเขาจึงไม่เลื่อมสายพุทธศาสษาก็เพราะเขายังบาลานียังอ่อนอยู่นเะพระบรมศาสี า, า, า, า, า, าเชียบใส่ดอกบัวสีเหลองดอกบานก็บานเจีมพูมดอกตูมก็ตูมเจีมพูมดอกส ม, มุน้พรก็ส ม, มุนไพรเจมพูมดอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเจีมพูมดอกบัวก็เดียวกัน แต่ละดอกเปียบมันแต่ละบุคคลก็เดียวเปียบมังคนในโลกดอกบานก็บานเต็มภูมก็มีอยู่ทุกการทุกวันนี้ก็มีอยู่ก็คือพวกทุกคนไปแล้วดอกตูมก็ตูมจำพุงก็คือพวกเสกเสียบตะกายอยากทุกคนทุกนวัตาสทั้งสามดอกสมเข้ากกเพิ่งกำกาลังจะเลื่อมสาพุทธศาสานาะดอกใต้หน้าก็ไม่รู้อี่หนี่เลยก็ มีหลายบางทีบางทีเป็นข้นาวสาแหกฟ้าแล้วเต่าชิพหายเสียไม่สามารถจะพ้นของเขาจนดอกพ่นน้ำจึงเอาประมาณได้หรือฝเสมือนน้าจึงพอเอาประมาณได้บ้างส่วนดอกบานก็บานไปแล้วเช่นพวกเข้าสู่ขั้นพานไปแล้วเหนียวแห้งไปแล้วไม่ได้มาเกิเสียเกิด ต, ตา ย, อยาเองเอ้าเราจะมาแข่งดีในโลกทอเท่า้นขั้นสูงจะทำมาหาความสุขในโลกถ้าความสุขในโลกมี พระนัหันท่านก็เข้าสู่พระนิพพานได้ได้เพระใดๆในโลกว่นอยู่ใต้อำนาจอนิจังแล้วใดๆในโลกว่นอยู่ใต้อำนาจทุกขังแล้วใดๆในโลกวนอยู่ใต้อำนาจอนันตาแล้วไม่ได้อยู่ในบัลลับรลชาของใครของใครห้าให้แก่เขาแก่มาห้ามให้เก่บเขาเก็บมาห้ามให้ตายก็ตายเราไม่ประสงค์เลยแก่เก็บตายและเราก็ไม่ประสงค์เลยกระดูกร่างกระดูกแล้วประสงค์จตกของหอมๆทางด้านหนึ่งอยู่ในสกุลและร่างกายทําไมเหม็นนักนักเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบ หลยลมออกเราอยากให้ันเปียนวันไฮเป๊ตสมัยมันเหน ม, ม็นมแทะนั่นมันเป็นธรรมชาติของมันก็ธรรมชาติหน้าพิจณามันก็ไม่ใช่ธรรมชาติในกระจบอยู่อย่างนั่นนั่นมันเป็นธรรมดาแต่ธรรมดาหน้าพิจนาไม่ใช่ธรรมดาล้วนอนใจธรรมดาอ่านว่าธรรมดาธรรมดาที่แยบคายธรรมดาที่โง่ธรรมดาที่ไม่โง่ธรรมดาที่พ้นจากโลกสงสารธรรมดาที่ไม่พ่นธรรมดาที่พ้นจากความสงสัยของตนธรรมดาที่พ้นจากความสงสัยอนอันธรรมดาเนี่ยมันก็แยกออก พูดวันยังค่ามันก็ไม่จบธรรมดามเป็นคำกลางธรรมชาติก็เป็นคากลางธรรมชาติที่ผิดธรรมชาติที่ผูกธรรมชาติชาติที่ดีธรรมชาติที่ขั่วคําว่าคนก็เป็นคากลางคนดีก็มีคนขั่วก็มีคําว่าคนทางก็เปทํากลางทางไปทางดีก็มีทางไปทางขั้วก็มีคําว่าทําำก็เป็นคงต่างทําไปทางขั่วก็มีทำไปทางดีก็มีอันทําตัวรอทังตัวไม่ใช่ทํางานทํางานก็เหมือนกัน่ะคําว่าทํางานก็เหมือนกันทํางานไปทางดีก็ดีทำงานไปทางขั่วก็ผิดเหมือนกันนั่น เขาไปรักศกโจกห อ, ขอเขาเรียกเขามีงานเหมือนกันใช่ไหมนั่นทํางานเพื่อฆ่าคนเขาก็มีเหมือนกันเขามีหน้าไม่มีสนูมีอะไรมีปืนเขาเรียกว่างานเหมือนกันนั่นพบอกงศรัทธาไมาใ่ใชสอนเป็นคนโง่ผู้ซื้อศาสน า, า, า, าไม่ใค่เขาเป็นคนโง่เนอะเออเราจะว่าเขาโง่รับตาอยู่เฉยๆไม่ใช่เนอะเขารู้จักบทอ่านักโทษพระมีกี่คนในะประเทศไทยเนี่ยไม่มีนะมีก็น้อยเนาะนั่น อ้าเอาเอาท่านี้ก็พอหรกอก <c oughs> อ้าวเออนักโทษพระมีกี่คนเอา้าพระทำผิดก็มีเอา้าพระเล่นเสาก็มีมีคือคนเอา้าเอา้านักโทษโยมมีกี่คนที่นี่อ้าเอาเท่านี้ก็พอหอกเอา้าพระขึ้นโรงขึ้นศาลมีกี่คนพระไปรับซกจกหอมีกี่คนนันถึงหมื่นไหมนับถึงร้อยไหมไม่รับไม่ถึงอะพวกฆรวาสมีไหมนั่นนั่นเท่านั้นพอแล้วนะ่ะนั่นโอ้ พราะผู้ชัาตนะทํามันเลยไม่ต้องทํามันยากพวกเมียขาวไม่ชีราบทเขาว่าเขาไม่มีภรรยาเขาก็ไม่มีผัวเนี่ยพี่ชสมัยก็ไม่มีเมียเนี่ยให้เพื่อนพวกเรานี่เรานี่ยออกไปทางคารวะดยซีเนี่ลูกมันเอ๋ยเมียมันเอ๋ยไรนามันเอ๋ยรถมันเอ๋ยที่ดินที่ปลูกเรานมันเอ๋ยเนี่ยมันหลายเอ๋ยนี่มันทํามันทํามันอยู่ในตัวแล้วเนี่ยไม่ไม่ต่ากว่าสี่ห้าแสนเนอ พระอยู่ในประเทศไทยคนสีห้าแสนออกไปดูสิดูดูดอ๋อลูกของมันก็อย่างน้อยก็ไม่ต่ากว่าสามคนถึงจะทํามันก็าตามคิดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าสามคนหรือสองคนที่นามันเอ๋ยไร่มันเอ๋ยอะไรมันเอ๋ยที่ดินมันเอ๋ยเลือกสวนในนามันเอ๋ยทีเนี้ยที่ดินก็ให้พออ๋อนี่มันทํามันถ้าไปแก้จะอุทิศให้พระพุทธเจ้า ท, ท, พพพทำพระสงฆ์ ที่รถเยี่ยวรถเหยียบย่ํำชนน้ำลายคายน้ํามูกใส่อยู่ทุกวันเลยมีประมาณถ้าคนทุกนะว่าเก้าองส่วนสามรวยรวยในปัจจุบันในชานี้เตินบางทีเราในลิกได้เราก็อ้าปากหลังผมว่าเราพ่อเขาเขาผสมขี่ใส่เมื่อมีผู้มาเห็นเขาก็ว่าเราเป็นบ้าแต่เราก็ทําให้คนอห็นแต่เราไม่ทําป็นคนเห็นทําอยู่แต่เฉพาะคนเดียวบางทีเรานอนอยู่อ้าปากคือผมว่าเขาคือเขาทำผสมขี้ใสปากเรา เป็นบุคลาพิสานสมัารเป็นบุคลาพิสานสบายกายใจเราทำํำหนังเราเป็นนิสัยสักกานผลเพราะเราออกบวชด้วยสักกาเมื่อไม่มีใครคนเห็นเราออกบวชเราออกบวชด้วยสักการเจศนาอย่างในพุทโทพธนนพิทันจึงจําแนกทุกโธออกเป็นสีน่ขั้นในพุทธะฟังสี่สัพม พ, สพวกนิมมานสัมพุทธะสัมพวะหนึ่ง ตั้งมาแล้วะพุทเจ้าปั้งมาแล้ะพระเจกก็พระเจ้ากพ่อหนึ่งพุทเจ้าถือก็พ่กตั้งมาแล้วพะเจ้ากพวกหนึ่งพระเจก็พระเจ้าพ่กหนึ่งสาวกยุทธะก็พวกหนึ่งสาวิกาพรุทธก็พวกหนึ่งชาวสาวิกาสมัยถึงขนาดไหนหมายถึงท่านผู้ถึงขนาดเลยอถ้าว่า สมัยพุท ธ, ธะออกไปเองพุท ธ, ธะเอกประเทศนี่พรราวนทุท ธ, ธะรัชาล า, ามีพุท ธ, ธะคนาคลางมีพุทธะนี่มหยความว่าเป็นเอกประเทศยังมีธธเอเ่พุท ธ, ธะที่จบไปเทศแขกพุท ธ, ธาสาสราสิงห์รามปัญญาก็คืออารรรัตรมอาหัตกรนพุท ธ, ธะขยาออก ข้าวปลาพุรูเป่พุรูพระสุดานพุรูพระสกทาสันยีพุรูพระอนาสุรูพระรหันพุรูพระติจุรูพระสมาธิทเจ้าจะเอามาเชี่กันไม่ได้ไมียิ่งย่อนกว่ากันเป็นระดับธรมโมพข้ามั่งองไว้เชื่อทำวิชชาอยู่ที่ไหนที่ไหนธรรมเาอยู่ที่นันุตโธแปล่าพุรูแล้วบามันเป็นอย่างนี้